ปาราชิกสิกขาบทที่7ถามภิกษุณีผู้ประพฤตตามภิกษุผู้ถูกสง์ลงอุเขปเนิยกรรมไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบภิกษุณีผู้ประพฤตตามภิกษุผู้ถูกสง์ลงอุเขปเนิยกรรม ไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. จบยัตติต้องอาบัาบ ต, ตออบทุกกฎ2จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุลจใจสา 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตปาราชิก ภิกษุณีผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้